เพื่อเป็นการศึกษาถลงถึงใดไม่เข้าใจให้เข้าใจถึงใดไม่แจ้งทําไม่แจ้งขึ้นมามันเป็นไปได้การทาความสอนชีวิตของเรานี่มันทาได้เลื่อนชั้นเลื่อนฐานะของชีวิตเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นจากความันคนมาเป็นบรรทุก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 บุญกุศลบวดลูกปวดหลอนทำไมถ้าเราไม่มีบรรคผลนิพพานเราจึงเพื่อการนี้โดยตรงแม้แต่เพลงกลองลูกที่หลงตาเลยคนใ่ฟังภาคเหนือภาคภา ค, ภา ค, ภ, าคภาคอีสานภาคใต้ก็ยังเก่าถึงมรรคผลนิพพานเลย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 เอาจึงมาเห็นมันก็ไม่มีอะไรอย่างค์เจ้าได้แสดงธรรมมจาจักกับวัตรสูตรเนี่ยบัรจวิคีคือห้าคนได้ฟังอย่างที่เราได้สาธยายสูตรนี้เร า, าทรมาจักจักแห่งธรรมมันมันปลิ้งไปหมูนไป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 ไปไปสวดทำมามจักอยู่ที่นั่นหกเที่ยวแล้วอินเดียนี่เถตูปใ่อยทำไมจึงชื่ออิสิปตนะมะลุคธายาวันมันมีมาแต่นานแล้วก่อนพุที่เจ้าที่จะมาแสดงธรรม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 ที่บาเพ็ญทุกกิยาก็มีท ำ, ทำอะไรทอะไรป่าอืมดงคาชิลิ์อาดงคาชิลช่เช่ดงคินะเหนือทางแน่น้ามเลยแม่ น, ามมนาม้าเลนเชลาดงคาชิลิ แมยพรเจ้ายังไม่เป็นพทธเจ้าบำเพ็ญพุทธบเพ็ญพธอยู่ที่นั่นแล้วก็เดินจากที่นั่นรอนแรงมองมาตามรูปน้ำในลันชลามาชาเข้าวสุชจางสุจดดาที่ใกล้ๆอพุทธขยะเนี่ยมีอยู่จริงนอกจากมี ที่ตัดเโรคมีที่แสดง ท, มท ร, รมีที่กระสูดมีที่แปะดินิพานมีอยู่จริงจริงแต่วัดว่าเราวตาก็มีเยอะสารจีวัดอะไรเยอะเยอะเชดตดตะวันก็มีตูพาลามก็มี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 ที่นี่ไม่มีใครแปลกด้ามิตรญาติที่เพิ่งในพวกเห็นกันตอนนั่นไม่แปลกอย่ามองว่าคนนั่นคนนี้ไม่ใช่กลุ่มพวกเราไม่ใช่คนพวกเราไม่ใช่เดินเพื่อนเกิดเจเจ็บตายด้วยกันให้มันจบซะจะเป็นแผ่นดินลาบเมือนด้ากองชสยศาสนาพระศีอริยาเมตไตร จ, จะมาตัดสรลู้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 แต่ละอารมณ์น้อยสาคัญอภัยทานเป็นบูรณในนิพพานเหมือนกันจากมันร้อนให้มันเย็นในความร้อนมีความเย็นในความหนักมีความเบาในความทุกข์มีความไม่ทุกข์แต่ละออกโดมีอยู่จริงๆมักผลนิพพานในชีวิตเราเนี่ยที่คนไปตายเนี่ย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 ก็บมือของเราเนี่ยเด็นมันหลงอย่าไปจนความหลงเวียนหลงเป็นรูทำได้ทำได้เปียนโกดเป็นไม่โกธก็ทำได้ยนะัมันมีสองอย่างมีกายมีใจตองทีนอนไม่หลับก็เป็นทุกข์ใจกินไปได้ก็เป็นทุกข์ใจ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 มาพบกรรมฐานที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนเนี่ยโอ้ยพอใจมากได้ช่วยตัวเองเห็นความคิดไม่เคยเห็นความคิดตัวเองเลยคิดอะไรก็ดูว่าเราทั้งหมดเป็นตัวเป็นตนไปทั้งหมดถ้าเกิดจากความคิดทำตามมันทั้งหมดเสียเปียบมันเสมอ น้อยไม่หลับเพราะความคิดน้ําตาไหลเพราะความคิดเป็นทุกข์กินไม่ได้เพราะความคิดทะเลาะวิวาทกันเพราะความคิดอันตลายมากขนหัวลุกเพราะว่ามีสติดูแน่โอยไม่รู้จักช่วยตัวเองเลยสงสารตัวเองมากจนน้ําตาซึมเลยนะไม่รู้จักช่วยตัวเองนะ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 สงบถ้าเป็นสุกก็เป็นสุกถ้าจะเป็นไม่สุกก็ไม่สุกเหมือนคนเป็นโูกขี้กากรักษาขี้กากหายแล้วไม่ต้องเก่าอันแต่ก่อนมันเกามันจะมีความสุขเวลาบรรค์มมาก็เก่ามันจะมีความสุขแบบ น, นี้ขี้ขากไม่มีแล้วไม่ต้องเก่าเรียกว่าอะไรตรงนี้ฮะ แต่ยิงว่าฉุว่าไม่ฉุบเลยก็ช่างเรเรียกเราเองไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีพิษม่มีพาม่านิพพานช่างนิพพานนั้นก็ใช่งานได้สัตว์ไรนิพพานคนนิพพานยิ่งดีมันเป็นสังคมเป็นผัวเป็นเมียเป็นครอบครัวโอ้แม่พี่น้อง มันเย็นอย่างเนี้ยมันก็อยู่สุขสบายก็เป็นลาบหลไรใครก็เย็นใครก็เย็นที่ ว, ว่าแผ่นดินลาบมัหน้าของใสเป็นคนคนเดียวกันไม่ใช่คนเราคนแล้วถ้าเรามีสติเราลั่งอยู่นี้ร้อยขัวคนแล้วนะออเหมือนกันหมดได้ใครก็มีสติสติก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าหากว่าเราหลง<อ>ก็เป็นคนเราคนกันไป ทางคนทางหลงเลยลอะไรผู้ผู้แฝบแฝบความร้ายควดีอะไ ร, ะะะไรก็ไปถูผิดตาคอยจับคอยจอกมันก็หลงมันจึงปุุงไปถ้าไม่หลงมันก็ไม่ไปมันอยู่มันหนักแน่นอันหนักแน่น น, น้นเรียกว่าศีเศษคือปกติไม่ใช่เีลคืออะไรมันปกติหนักแน้นชิลาศิลานะ ชิลาคือหินชินมาจากคาว่าศิลานันคือก้อนหินอุลานท่จึงว่าพวกหินดีกว่าพวกนุ่นพวกหินดีกว่าพกนุ่ น, พ, น, ก พ, ก น, นพกคือถือหินคือมันหนักแทน้นนุ่นมันเบาปลิวไหยินดียินไา่ ตาเห็นลกูกยินดียินล่หูได้ยินเสียงยินดียินล่เจ้าหูได้กินเล่นในรถกายสัมผัสย์ไหลิีดใจมาคิดไหลไปตามอารมณ์เขาจูงไปเขาดึงไปแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นเลย่นุ่นปลูกแตาเห็นไม่ปลูกเรายังฝึกตนสอนตนเราไม่ใช่อยู่คนเดียวในโลกนีมีพันยาสามีมีมลกูกมีหลาน ให้มันเย็นด้วยให้มันติดกันด้วยเป็นจงีวิลรอมที่ดีด้วยลูกคนมีสิน<อ>พ่อแม่เป็นคนมีศินลูกก็มีศินได้สอนมันตั้งแต่อยู่ในขันนั่นคนโบราณก็สอนลูกตั้งแต่อยู่ในขันนั่นตัวแม่ก็เหมือนกัน<ะ>เวลามีลูกสาวมีขันขึ้นมาไม่ให้ลูกสาวเข้าครัวข้าสัตว์ตดชีวิต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 ก็ตื์หัดคืออะไรตอนนี้เป็นพ่อคนแม่คนเป็นพ่อคนแม่คนมันก็ถ้าคนดีทั้งแต่เป็นอาสมขุงมาจารีมันก็ได้ดีไปที่ว่าบุญว่าฉลามันฉีดเช็ดไว้แล้วอาสมวันประหลัดโอห้อาสิบปีตั้งหกสิบปีวัดนาประหลัด มีลูกมีหลานแล้วมีลูกมีหลานลูกหลานก็เป็นคนดีจนถึงไอสะสมชัญญาสีเจ็ดสิบปดเจดปีแปดสิบปีชัญญาสีบุคคลอานนี้สง์ลูกหลานหลานดีช่วย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 ต่ใช่ดีทนทานใยผ้าชีวนเนี่ยสักแล้วอย่าไปบีดมันสักแล้วเอาไปพาดบนเหลาให้มันน้ามาไหลออกง <c oughs> ั้นจะาทนทานชุดเดิงเรามีผ้าสามผืนใช้ได้อย่างน้อยต้องสี่ปีไม่ต้องมีหลายชุดหมัอนยากเป็นยุงใช้ได้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 มีปัญญาในขณะที่มีปัญหาตรงนะะสอนตัวเองเนี่ยมันสอนได้ชีวิตเราเดคนอื่นสอนก็ไม่ทำให้เป็นตเราสอนแร้วมันทำได้สอนให้ลูกมันสอนกันได้สอนให้เป็นเนี่เราต้องสอนตัวเองคนอื่นสอนให้ได้ไม่ได้จะ่เรามีจติเอาให้กันวไ้ได้ปฏิบัติ ด, ด้วยตนเอง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 ก็โก้ได้โกรธ ต, ตายไม่ลืมไม่ลืมยีกย่กี่คนนะตายก็ไม่ลืมเลยไอ <c oughs> แต่พ่อแม่ถ้าลูกเต้าโกรธพ่อกับแม่ตายก็ไม่ไปดูเลยบ้านนั่นก็มีนะมันดีหรือความโกรธความทุกขนะ์นันไอแต่โทษแต่พครใคมีเมตตาก็นาตอกกันเถ้ะไหอหลวงตาจะไปถทามาไปกหน่อ <c> ย <oughs> มีรถไหนหนึ่งใบเั็กหน่อยนะเท่านี้นะกราบพระส่งกัน